เพ่งังที่คารคะผ่านไปสำหรับพระมาชาคาวโรวัฒนาป่าพงลำลูกาคลองสิทธิ์ที่มีท่านอาจารย์คึกรทิ์โสติพโลเป็นท่านเจ้าอาวาสแล้วท่านก็มุ่งมั่นที่จะเผยแผ่พุทธวจนะมีการผลิตสื่อออกมาในหลายๆ ล, ลักษณะส่วนในเรื่องของหนังสือในรายการนี้ท่านก็มอบมาให้พวกเราได้แจกกันวันหนึ่งสาหรับสบท่านที่0ู2 9 0สค่ะ ส่วนการที่จะถามคําถามแล้วได้รับคําตอบที่มีการอ้างอิงพุ้ทวจนะโดยตลอดเรามีเป็นประจําจากพระอาจารย์ไพลบุญอธิปุณโ น, โนช่วงเปิดธรรมที่ถูกปิดด้วยพุ้ทวัตจนะต่อไปนี้ค่ะกราบนวัต ก, การพระอาจารย์ไพบุญค่ะเฉยบอลค่ะก็ผ่านมาอีกวันหนึ่งวันนี้เฉยบอลเมื่อเมื่อวานนี้คุณยมติ๋วได้พูดถึงว่าคนที่ตื่นเช้า จะมีลักษณะอย่างไรอย่างไรมีพระเจ้าได้เกิดตรัสเอาไว้นิดหนึ่งก็จะพูดถึงพุทธวจนะส่วนนี้ให้ฟังก่อนพระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับคนที่ยังมีหวังกับคนที่หมดหวังและก็คนที่ไม่หวังคนที่มีหวังก็คือว่าอย่างสมมติพระราชาเนี่ยเ ข, เขาครองราชอยู่ใช่ไหมแล้วก็มีลูกชายคนโตลูกชายคนโตคือเชษฐาโอรสเนี่ยเป็นผู้ที่มีหวังในการขึ้นครองราชอันนี้คือผู้มีหวังผู้ที่ <Okay. S 1> หมดหวัง ผู้ที่หมดหวังก็คือแบบผู้คนจันทานตัวข้อมอาขาง่อยตาเขแล้วก็อะไรไม่สมประกอบมีตัวสกรปรกพวกนี้เป็นคนที่ไม่สมประกอบขาหักตาบอดอะไรพวกนี้จะให้คนอื่นเข้ามาอัญเชิญเป็นพระเจ้าจักรพรรดิเนี่ยโอ้โหพวกนี้หมดหวังแน่นอนอันนี้คือผู้ทีหมดหวังแล้วก็ผู้ที่ไม่หวั ง, ผ, วงผู้ที่ไม่หวังก็คือผู้ที่เป็นพระพระราชาเป็นพระเจ้าจักรพรรดิแล้วตัวเองครองราชเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องหวังว่าจะต้องมาครองราชอะไรอีกเพราะว่าสำเร็จประโยชน์แล้ว พระเจ้าเคยเปรียบเทียบกับบุคคลที่ทุศีนทุศี น, เ, นเป็นผู้ที่หมดหวังแน่นอนคือเหมือนกับคนจันทานคนขอทานที่จะไม่หวังว่าเขาจะมาเชิญให้เป็นพระเจ้าจักรวรรดินี้ไม่มีทางหมดหวังเลยผู้ที่ยังมีหวังก็คือคนที่ตื่นเช้ามีศีลคือเหมือนกับคนที่เปรียบเทียบกับอีกกรณีหนึ่งในยะที่2เปรียบเทียบกับคนที่ตื่นเช้าแล้วก็สามารถที่จะปก ค, ครองบ้านเมืองให้บริสุทธิ์บริบูรณ์มีความเจริญ อย่างนี้ได้เหมือนผู้ใหญ่บ้านหรือว่าผู้ปกครองบ้านเมืองเนี่ยถ้าตื่นหลังพระอาทิตย์ขึ้นไปแล้วเนี่ยเคยเห็นหรือเคยได้ยินไหมว่าเขาจะสามารถจัดการบ้านเมืองให้เรียบร้อยได้นะถามพระพระภิกษุก็บอกไม่เคยได้ยินเลยพผู้ชาก็บอกว่าไม่เคยได้ยินเหมือนกันนะแต่ถ้าคนที่ตื่นเช้าขึ้นมาจะสามารถจัดการบ้านเมืองให้ดีได้เนี่ยก็เป็นไปได้นะผู้ชา ก, ก็บอกเปรียบเทียบกลับไปกับภิกษุเหมือนกันว่าภิกษุกที่ตื่นเช้าเนี่ยสามารถทําให้แจ้งซึ่งมรรคผลนิพพานเนี่ยเป็นไปได้ไว้อย่างนั้นนะอืมค่ะ ตื่นเชา้าตื่นเช้านี่คือตื่นก่อนพระอาทิตย์ขึ้นอืมเป็นเป็นปกตินะคือหมายว่าบางทีบางวันเราตื่นเช้าบ้างเราตื่นสายบ้างก็ไม่เป็นไรแต่ถ้าคุณยังตื่นชา้ามากกว่าตื่นสายก็ก็ถือว่าโอเคยังดีตื่นสายนี่คือตื่นจนพระอาทิตย์ส่องก้นแล้วก็ยังนอนอยู่อันนี้ไม่ได้อันนี้ไม่ควรเว้นแต่พวกนี้ไหมคะบางคนน่าสงสารนการทํางานเป็นการในยุคทุนนิใช่ค่ะยุคทุอนิย ม, มลูกจ้างมีจํานวนมากทีเดียว เวลาเขานอนเราตื ance, Nun, правда, anto, ่นเวลาเขาตื่นเรานอนเพลิดเพลิอาจจะฟังวิท o ุอยู่เลยนะคะเนี่ยยังไม่ได้นอนเลยนะเนี่ยค่อยๆแก้ไปนะแต่มาว่านะคะแต่ว่าถ้าเราได้สร้างเหตุที่ถูกต้องใช่ชีวิตก็พอมีหวังถูกไหมคะถูกต้องคิดถึงในการชีวิตไม่สิ้นหวังตท้องสาวของโยมเล็กเลยค่ะท่นคะทีนี้ พุทธชยันตีวันนี้ท่านจะถวายพุทธบูชาด้วยความรู้เกี่ยวกับพระพุทธเจ้าเรื่องใดเรื่องว่าธรรมะของพระเจ้าเนี่ยเป็นเรื่องที่เห็นได้เฉพาะตน ค, ะคือทุกคนรู้ได้เองเห็นได้เองแน่นอนแล้วเราไม่ต้องพูดถึงเรื่องอะไรมากมายคือเอาเรื่องแค่นิพพานนิพพานคือสิ่งที่ตัวเองก็รู้ได้เองเห็นได้เองเดี๋ยวนี้คือบางคนจะคิดว่าโอ้ยนิพพานเป็นสิ่งที่สูงมากเลยโอ้ยฉันไม่มีทางรู้ได้หรอกแล้วเราจะบอกว่าคําสอนพระาจ้าเป็นสิ่งที่รู้เองเห็นเองได้อย่างไร อ่าๆคุณเข้าใจให้ถูกก่อนนะว่านิพานเนี่ยแปลว่าความดับนะผู้เช้าบอกว่านิพานเนี่ยเป็นสิ่งที่เธอก็รู้ได้เองเห็นได้เองนะในปัจจุบันนี้เหมือนกันนะโดยการที่ว่ายสมมุติเรานั่งสมาธิอย่างเงี้ยจิตเราสงัดจากกามสิทธิ์เราสงังเกตจากอคุิสรธรรมทั้งหลายตรงนี้เป็นนิพาน ล, ละ่ะเป็นความดับจากกามความดับจากอากุศสรธรรมตรงนี้เธอเห็นได้ด้วยตัวเอ ง, งพิสูจน์ได้เลยอืม เท่ากับว่าท่า น, นิพพานเนี่ยพิชิดับทุ่นๆต้องดับจากกุศ ล, ลธรรมจากจากอากุศ ล, ลธรรมถูกัหมคะก็คือเป็นขั้นๆ้นขึ้นไปนสมมุติถึงสมาธิระดับที่สองอย่างเงี้ยก็มิตรวิจารณ์ความคิดความนึกอะไรที่เป็นคําพูดพวกนี้ก็ดับไปด้วยอันนี้เราก็าเห็นได้ชัดเจนขึ้นมาอืค่ะทีนี้ท่านยกตัวอย่างเปรียบเทียบ ก, กับการปฏิบัติว่าจะเห็นนิพพานในลักษณะใดอส่วนนิพพานเนี่ยสามารถเปรียบเทียบกับเรื่องอื่นที่ไม่ใช่เรื่องการปฏิบัติได้ไหมคะ เพอราะบางคนอาจจะไม่เคยปฏิบัติ<อ>หรือปฏิบัติก็ไม่เคยเห็นนะคะเอาอย่างง่ายๆคือเราไม่ต้องพูดถึงการนั่งสมาธิหลับตานะเอาอแค่ว่าบางทีเราโกรธแล้วก็บางทีเราเราไม่โกรธ อ, อย่างเช่นบางทีเรามีความยินดีเรามีความรักความเมตตาอย่างเงี้ยคือคนที่มักโกรธอยู่เป็นประจำเนี่ยบางทีเขาก็เห็นดูหนังซึงซ้งๆเขาก็มีความสนใจเกิดขึ้นใช่ไหม ไอ้ความซึ้งใจที่คุณเกิดขึ้นเนี่ยคุณจะสังเกตเห็นได้ว่าโอ้มันมีความดับไปของไอ้เจ้าความโกรธพวกนี้ไม่มีอันนี้คุณเห็นได้เฉพาตนเลยนึกออกไหมคือเราไม่ต้องพูดถึงคุณจะต้องไปนั่งหลับตาดูหนังตาไปวัดไปอะไรไม่ต้องเอาคุณดูหนังคุณดูหนังซึ้งๆนะคุณเป็นคนมักโกรธใช่ไหมคุณดูหนังซึ้งๆแล้วคุณยังซึ้งตามก็ไปได้นะความโกรธคุณดับไปแล้วนั่นคือนิพพานแล้วนะนิพพานของความโกรธดับไปแล้วอืมค่ะ ก็หมายถึงว่าความดับมันมีหลายระดับขั้น่อันนี้ดับแบบพื้นพื้นดับแบบโลกอๆสังเกตได้จากอารมณ์ต่างๆของเราที่ดับไปอย่างนั้นไหมคะแล้วทีนี้ถ้าในทางธรรมนะท่านคะมันก็เป็นเรื่องอารมณ์ดับเหมือนกันไม่ใช่เลยคะถูกต้องนิพพานแปลว่าความดับเพราะฉะนั้นดับไปของอะไรมันก็ดับไปเป็นขั้นๆเท่านั้นเองนะคะแต่ทีนี้ถ้าท่านทั้งหลายได้ฟังพุทธวจนะต่อไปเรื่อยๆเนี่ยท่านจะได้ทราบว่าพระพุทธองค์เนี่ยได้ตรัสถึงลําดับขั้น ของอการปฏิบัตินะคะว่าลำดับนั้นอะไรดับลำดับนี้อะไรดับคือคืองี้คุณยมเต๋วเอาที่ง่ายกว่านั้นเข้าใจก็ได้ อ, อย่างวันหนึ่งเราอาจจะอยากจะอยากกินปลาทองโกแล้วก็น้ำเต้าหู้วันนี้อยากกินมากเลยพอคุณได้ไปกินนะกินเสร็จแล้วกินจนอิ่มกินน้ำเต้าหู้มันสองแก้วกินต้ปลาทองโกมัน1ิตัวนะกินจนอิ่มขนาดนี้แล้วเนี่ยความอยากในปลาทองโกเนี่ยดับไปแล้ว เราจะให้พรุ่งนี้จะมากินปลาท่องโกกับน้ำเต้าหู้อีกห้อยไม่เอาแล้วแค่นึกถึงยังป่วยเลยไม่สบายเพราะฉนั้นมันดับไปเห็นเห็นคาตาเลยคอเราเราจะรู้ตรงนี้ได้คุณต้องมีสตินะอันนี้บางคนกําลังหยิบปลาท่องโกใส่ปากค้างเลยนะคะอ๋อมันดับได้เหมือนกันแล้วเพราะเช้าๆปลาท่องโกกับของร้อนๆนี่เขาชอบกันมากก็เท่ากับว่าวันนี้เราถวายพุทธชยันตีด้วยการให้ทราบว่า ธรรมะของพระพุทธองค์เนี่ยจริงๆแล้วเราเห็นอยู่เฉพาะตัวเราเองและเห็นได้ด้วยใช่เพียงแต่ว่าอาจจะไม่ไทราบไม่มีความรู้นี้ก็เลยไม่เชื่อว่าตัวเองได้เห็นท่านไิบูลได้บอกให้เราพิสูจน์ท่านท่านคะทีนี้เดี๋ยวฉันอยากจะกลับเรียนถามท่า น, น, อ, นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่ ว, รรททว่าเห็นได้เฉพาะตนธรรมะของพระพุทธองค์ที่ท่านบอกว่าเห็นได้เฉพาะตนอันนี้ใช่ที่เราท่อง บูชาพระธรรมสรรเสริญพระธรรมว่าปัจจตังนั่นแหละใช่ใช่ใช่ปัจจตังเอหิปัสสิโกวินยูหิตวินยูติเนี่ยนะวินยูหิตเนี่ยนะตรงนี้ก็เป็นปัจจตังเวทีตัปโภเป็นสิ่งที่รู้ได้เฉพาะตนอค่ะบางทีเราสวดบนเนี่ยเราไม่รู้นะคะเราเราไม่รู้ความหมายอันนี้ยเดชันว่าการได้รู้ความหมาย ของการสวดมนต์เนี่ยมีคุณค่ามากมจริงๆก็มีการสวดมนต์แปลกันนะคุณยมเติวค่ะพูดถึงเรื่องแปลไม่แปลท่านคะมีผู้ฟังท่านหนึ่งเขียนมาหาท่านนะคะเาลถึงดิ่ฉันด้วยบอกว่าฟังมาตลอดดูว่าชื่ออะไรชื่อคุณเจ้าชายคะ่ะคุณเจ้าชายใช่ค่ะไม่เคยขาดได้ความรู้มากแต่วันนี้ไม่มีคาถามมาถาม แต่จะขอติเพื่อก่อครับผ ม, มเวลาท่าจามเปรนยายทำนั้นท่านผู้ประาอังกฤษนะครับต้องอย่าลืมมื่าท่านจัดาการภาพภาษาไทยครับและที่บ้านมีคนสูงอายุซึ่งไม่สามารถเข้าใจภาษาอังกฤษนะครับก็บอกว่ายังอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็บาลีเข้าใจยากแล้วภาษาอังกฤษยังยิ่งเข้าใจยากกันเข้าไปใหญ่ก็ฝากมาให้ท่านโปรดพิจารณาได้ก็อันนี้เป็นข้อมูลที่รับไว้ก็จะค่อยๆแก้ไขไป คะ่ะเป็นการติเพื่อก่อโดยคุณเจ้าชายอันนี้คุณเจ้าชายคะที่ฉันขออนุญาตถามคาถามท่านเบบุญทึ่เสืบเนื่องกับที่คุณเจ้าชายถามมาและที่ฉันสงสัยแต่ว่าไม่ได้ไปยุ่งอะไรกับคุณเจ้าชายเลยนะคะคือเรื่องของเวลาที่เราเห็นพระสงฆ์น ะ, ะ่ยค่ะทำอะไรแล้วเรารู้สึกเราขัดใจเราอาจจะมีการวิาพาควิจารณ์กันบ้างหรื อ, อบางทีก็พูดกับตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยนะคะดีฉันเนทราบว่า เราทําได้ไหมคะแล้วเราทําได้มากน้อยเพียงใด อ, อการตีคนอื่นนะไม่ไม่ใช่ว่าจะเป็นประสงค์ก็ตามเอาเพื่อนเราเพื่อนเราพ่อแม่เราลูกน้องเราเราไม่ควรตีใครเลยเราไม่ควรตีใครเลยคุณยมติวถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าเขาทําไม่ถูกนั่นเอาเอาใหม่นะคือติเนี่ยคือด่าบริพาดด่าบริพาดนี่คือแบบด่าทอด่าว่านินทาพวกนี้ไม่ควรทํา แต่ถ้าเราสอนอันนี้สอนได้พ่อแม่สอนลูกได้เป็นเจ้านายสอนลูกน้องได้อันนี้สอนมันไม่เหมือนกระดาบริภาทนะด่าบบริภาทนี่คือนินทาด้วยด่าตรงๆด่าว่าด่าให้เสียหายด่าให้เจ็บพวกนี้ด่าบริภาทไม่ควรทําเลยไม่ควรทําเลยไม่ว่าจะกับใครก็ตามค่ะอ๋อไม่ควรด่าบริภาทเลยไม่ว่าจะกับใครก็ตามไม่เสียหายแน่แน่เลยค่ะโอ้ยคนที่ด่าบริภาทอ์ให้เงินทุนใช้อ่อเอางี้ทีละขั้นตอนเอางี้งนคุณไปจ้างคนให้ไหมล่ะฟังเราคำด่าเราเหรอ ม, มันคนละประเดน็นคุณจำติ๋วเนื้อกับว่าคุณจา้างเขามาทำงานไม่ได้จ้างก็ให้เขามามาฟังเราดา่าแต่สิ่งที่เราควรจะต้องสอนเขาให้เขารู้ข้อมูลคือทำงานยังไงในกรณีของลูกน้องนะกรณีของพ่ออลูกเราก็ต้องสอนให้เขาห้ามเสียจากบาปให้ตั้งอยู่ในความเพียรแตยดานะคือด่ากับสอนไม่เหมือนกันด่าเนี่ยนะคือเราระบายความอึดอันอัดอัน้ออนโกรธของเรานะคือแค่ว่าจิตเรากดหึมหึมขึ้นมาคุณก็ไม่ควรมีด้วยซ้ํา แต่ทีนี้สมมติในกรณีของพระสงฆ์นะคะเราก็คงไม่ได้อาการหนักขนาดไปบริพาด ท, ท่านนะนะคะแต่แต ก, ก็ก็ไม่ควรมีด้วยไงแต่แตบางทีเราเรามีความรู้สึกว่าอุย้ยทำไมท่านทำแบบนี้ก็ไม่ควรมีด้วยกันหรอคะคิดไม่ได้ <laughs> คือในความเหตุอุตมานะในความเหตุการตมาคือพระพุทธเจ้าบอกบงไงเอาพุทธวจนะดีกว่านะคือบุคคลที่ด่าบริพาดเพื่อนผู้ประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน นติดเตียนพระอริยเจ้านั่นจะไม่ใช่ฐานนะนั่นจะไม่ใช่โอกาสที่เธอนั้นจะได้ความชิบหายอย่างใดอย่างหนึ่งในสิบอยา่างงั้นดิฉันถามเป็นตัวอย่างรูปธรรมชัดเจนอ่าว่าไปวาอ่ายกตัวอย่างเช่นเรื่องที่ลงหนังสือพิมพ์อ่าบ่อยๆในระยะหลังก็คือภาดที่ไม่เหมาะสมของผู้ที่หม่มผ้าจีวร น, นะคะอ่าเช่นบางทีแบบหน้าตาเรียนแบบผู้หญิงอะไรอย่างนี้เป็นต้นน่ะนะคะ แล้วเราก็มีความรู้สึกว่าพอเราเห็นปุ๊บเราก็คิดเหมือนที่นังสืบพิมพเขาบอกอะค่ะคิดคิดเราคิดได้ไหมคะเออก็ไม่ไม่ควรคืออมาจะไม่ทําถ้าถ้าเป็นตัวเราถ้าถามเรานะเราเห็นข่าวอย่างนีนักสืบพิมพเราก็ไม่คิดต่อแล้วเราต้องทํำยังไงอ่ะถ้าเราอยู่ในฐานะอาจารย์เขาเราจะเตือนเขาสมมุตินะคะเราเห็นเนี่ยเราเราเป็นเราเป็นคนธรรมดาเนี่ยนะแล้ว <_ S 2> แต่ว่าเราก็เป็นคนที่แนศรัทธาโอโ้โห พยายามที่จะเดินตามมากพระพุทธเจ้ามากที่สุดเท่าที่จะทำได้คุณจะทำไงใช่ไหมแต่พอมีคนนำเสนออะไรแบบนี้แล้วเราอยู่ในสังคมไม่อยากรู้มันก็เห็นนะคะไม่อยากรู้มันก็ทราบเร า, เราควรจะพูดเรื่องดีๆของพระรูปอื่นที่เขาดีๆพูดขึ้นมาให้มันกรอบเรื่องที่ไม่ดีไปให้หมดจ้เปลี่ยนเรื่องพูดไปเลยพูดเอาคนดีๆมีเยอะแย ะ, ยะเอามาพูดเอามาคุยกันนะแล้วเรื่อ ง, องที่ไม่ดีเราไม่ต้องพูดถึงค่ะ แต่ดิฉันที่ต้องถามเหตุผลนี่ก็เป็นเพราะว่าบางคนอาจจะบอกโอ้ยพระเข้าข้างกันเองอีกแล้ว <laughs> ท, ท่านเป็นบุญค้าประทานโทษนะคะข้อเสียหายที่มันจะเกิดกับเราอะค่ะท่านช่วยพูดซ้มอีกครั้ง ไ, ได้ไหมคใช่คือคือเราจะมีข้อเสียเยอะแยะที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองอย่างน้อยจิตเราเป็นอกุศลละอันนี้เห็นได้ชัดเจนสองอเราพูดเรื่องไม่ดีของคนอื่นเราก็จะเป็นปากเราจะเหม็นเราจะเป็นผู้ที่ เขาเรียกว่าเอาเรื่องไม่ดีของรุ่นมาพูดต่อคุณจะเป็นอาสัตว์บรุษ ค, คนไม่ดีเราคุณจะทํางานเราควรเรื่องเรื่องเอาคุณเอาเรื่องดีๆของรุ่นมาพูดนะเรื่องไม่ดีไม่ต้องพูดถึงเราไม่ได้อยู่ฐานะที่เตือนเราก็ก็ <aux S 2> ผ่านไปเปลี่ยนเรื่องคิดคถ้าเราอยู่ในฐานะเตือนเ ร, รเราก็ค่อยเตือ น, นคือคือถ้าคุณเป็นอาจารย์เขาคุณก็เตือนแล้วกันถ้าคุณไม่ใช่คุณก็เปลี่ยนเรื่องคิดเปลี่ยนเรื่องพูดค่ะงั้นต้องไปถามวันอื่นเพราะมันี่ยะประเด็นมันยาว เอาเป็นว่าวันนี้คือจะสรุปค่อาสรุ ป, รปไว้ตรงนี้ว่าที่คุณยมติ๋วพูดถึงว่ากรณีของพระสงฆ์ที่ไม่ดีไม่ดีขึ้นมาเนะสรุปให้เป็นปฏิบัติได้ก่อนก็คือว่าคุณไม่คิดเรื่องอื่นเลยไม่ว่าจะเป็นต้องพระสงฆ์เอาแค่คนใกล้ตัวเราสามีเราภรรยาเราลูกเราหรือว่าคนใกล้ตัวเราถ้าเขาทําไม่ดีนะคุณไปอย่าไปพูดถึงเอาเวลาที่เหมาะสมแล้วคุณจะค่อยเตือนคุณก็เตือนเขาได้อย่าง น, นะคะคือต้องรู้วิธีวางจิต ใ, ให้ถูกต้องอย่าให้อักุศลเกิดถูกต้องค่ะแต่ไม่ใช่ว่าว่ากันด้วยเหตุผลแล้วพูดกันไม่ได้อย่างเช่นสิ่งที่คุณเจ้าชายได้บอกมาในรายการเราก็ถือว่าเป็นการเสนอความเห็นที่เป็นประโยชน์อนะคะก็ยังไงนำ้ำมการขอบพระคุณท่านเพรบุญเป็นอย่างยิ่ง <Yeah. S 2> ค่ะเดินบานแล้วก็ขอบคุณคุณเจ้าชายท่านฟังทุกท่านนะคะที่ติดตามรับฟังรายการเราก็หวังว่าท่านจะได้แง่มุมที่เป็นประโยชน์เอาไป ใช้ประกอบกับการดำเนินชีวิตพูดให้ท่านฟังถึงแมะว่าบางครั้งเราจะมีการวิเคราะห์ไปแล้วแต่ก็มีหลักการในการที่จะให้ท่านไปวิเคราะห์ต่อเช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าศาสนาของพระพุทธเจ้านั้นจะมุ่งเน้นให้คนได้เกิดปัญญาค่ะและปัญญาที่จะเป็นปัญญาที่แท้ก็ต้องเป็นการรู้ตามเป็นจริงจากการที่เรามาปฏิบัติกัน ดังเช่นในตอนต้นของรายการที่ท่านม้าได้นําสู่การปฏิบัตินะคะวันนี้กราบนัสกสการ์ท่านอาจารไพบูลนะคะใช่ไหมคะมีผู้ทวัจนะไปให้ท่านได้เวลักในการที่จะไปไคล้ควรให้เกิดปัญญาสู่การปฏิบัติอีกเช่นเดียวกันนะคะหรือว่าที่จะไปรองรับปฏิปฏิบัติมาแล้วในถูกต้องหรือเปล่า0 2น6์สอง6ค่ะท่านอาจารย์คริสต์โซติพลโลท่าน ม, ามอบหนังสือมาให้เราเป็นประจําในรายการสรรสนซี สนทนานี้แล้วเราก็คงจะต้องลาท่านไปแต่เพียงเท่านี้ก่อนในวันนี้นะคะปีห้าวันพรุ่งนี้เรามาพบกันใหม่ค่ะพุททวัตสวัสดีค่ะ